ของเศพเต็มไปหมดสุขกลับลดทุกก็ง่ายแล้วจากการที่ไม่รู้อิ่มรู้พอเที่ยวเล่นไปสแสวงหาวิ่งไล่ขวายคว้าตามหาความสุขอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ต่อไปก็จะเกิดภาวะอันหนึ่งขึ้นคือกลายเป็นคนที่ทุกง่ายสุขได้ยากแต่ก่อนนี้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 หรือฝืนใจเป็นทุกไปหมดจะต้องได้อย่างที่ปรารถนามากมายเหลือลน้นจึงจะสุขได้แต่ก็สนองความต้องการไม่ได้สมใจได้แต่วิ่งไล่ควายคว้าความสุขอยู่เรื่อยไปไม่ถึงสักทีแล้วก็เป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นยากขึ้นทุกทีพอเป็นคนที่สุขได้ยากก็จะมีภาวะตรงข้ามด้วยคือกลายเป็นคนที่ทุกได้ง่ายก่อนนี้จะไม่มี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 ยิ่งเติบโตขึ้นเขาก็ต้องเก่งขึ้นในการมีความสุขด้วยต้องมีความสุขได้เองมากขึ้นต้องสุขได้ง่ายขึ้นและทุกข์ได้ยากขึ้นคนที่ว่าพัฒนาก็ต้องมีความสุขที่พัฒนาด้วยต้องมีความสุขมากขึ้นเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นเป็นคนที่ทุกข์ได้ยากขึ้นต้องเป็นคนชนิดที่ว่าจะอยู่อย่างไรจะต้องทาอะไร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 เขาก็อาจจะหมดความสามารถที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าลืมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้ควรถือเป็นหลักที่เดียวว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นเราต้องมีความสามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นถ้ามิฉะนั้นก็ไม่มีทางจบตัวเองก็หาความสุขไม่จบคือไม่พบ และทุกก็ขยายแต่สุขก็ยากขึ้นแล้วก็ต้องเบียดเบียนกันมากขึ้นมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นโลกก็ต้องเดือดร้อนอย่างนี้เรื่อยไปไม่อาจลุกถึงสันติภาพได้สักทีแต่ถ้าพัฒนาความสุขให้ถูกก็แก้ปัญหาทุกอย่างไปในตัวทำต่างๆทั้งหลายก็จะเข้ามาสู่การใช้ปฏิบัติอย่างถูกตำแหน่งถูกที่เพราะในระบบที่ถูกต้อง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 ตรงนี้ก็เป็นอันว่าเรื่องคุณและโทษของสุขพูดไว้แค่นี้ก่อนพอให้เห็นแนวทางจุดสำคัญที่อย่างน้อยขอให้ได้ในการปฏิบัติโดยมีนิสรณะปัญญาต่อความสุขทุกอย่างตั้งแต่การมาสุขขึ้นไปตราบใดที่ยังไม่สิ้นกิเลสคือระวังว่าเมื่อมีสุขต้องรู้ประมาณและไม่ประมาทแล้วอย่าอ่อนแอเป็นต้น ก็จะตามมาได้